การจะลืมใครบางคนให้สนิทหรือคิดจะไม่ต้องทุกขเพราะจำใครได้เป็นแค่ความอยากที่สูญเปล่าอีกครั้งในชีวิตเพราะไม่มีอุบายใดหรือกระทั่งวิธีเจริญสติแบบไหนที่ช่วยให้ลืมใครได้จริงการเจริญสติที่ถูกทางต้องเริ่มจากความเข้าใจว่าคุณจะไม่ลืมใครไม่อาจหายทุก เพราะความทรงจําเกี่ยวกับเขาหรือเธอไปอีกหลายปีสิ่งที่แตกต่างอย่างสําคัญระหว่างปล่อยใจกับเจริญสติในอีกหลายๆปีข้างหน้าคือเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวหากปล่อยใจไม่เจริญสติคุณอาจนึกว่าต้องทุกไม่เลิกไปจนตาย แต่หากจเจริญสติคุณจะรู้ว่าทุกเดี๋ยวเดี๋ยก็หายธรรมชาติของทุกนั้นเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วหายไปในไม่กี่วินาทีแต่ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติความทุกยังรังอยู่มิรู้จางก็เป็นเพราะคุณยังหวงต้นเหตุของทุกเอาไว้สำรวจง่ายๆรู้สึกว่าทุก ลมหายใจนี้ลมหายใจหน้าก็คลายแล้วแต่ถ้านึกถึงบุคคลหรือเรื่องราวอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ลมหายใจนี้จะทุกข์เพราะอาการนึกนั้นลมหายใจต่อๆไปก็ยังคงทุกข์เพราะอาการนึกอีกอย่าคิดว่าการเจริญสติเป็นยาวิเศษที่จะมาช่วยปัดเป่าทุกข์ให้หายขาดเป็นปลิตทิ้งทันที แล้วไม่กลับกำเริบอีกคุณจะพบกับความผิดหวังตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่สองก็ผิดหวังอีกครั้งที่สามก็ผิดหวังอีกเพราะไม่มีครั้งไหนที่ทุกมันหายขาดแล้วไม่กลับมาอีกมีแต่ว่าถ้ายังคงชอบนึกถึงต้นเหตุทุกอยู่ทุกก็จะยังวนเวียนกลับมาให้เจริญสติร่าไป เหตุผลถูกผลถูกเหตุผลผิดผลผิดยิ่งอยากยิ่งทุกข์ยิ่งไม่อยากยิ่งไม่ทุกข์ตราบใดยังมีความกระวนกระวายเต็มไปด้วยอาการอยากหายทุกข์ตราบนั้นคุณได้ชื่อว่ายัางสร้างเหตุแห่งทุกข์เพิ่มไม่ใช่ลดเหตุแห่งทุกข์ลงความอยากเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ นี่คือสัจธรรมขั้นมูลฐานที่เหมือนน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆแต่แท้จริงแล้วเข้าถึงยากเป็นที่สุดเริ่มต้นสิ่งที่นักเจริญสติต้องรู้และหมั่นท่องให้ขึ้นใจคือความอยากหายทุกข์ไม่ได้ช่วยให้ทุกข์หายไปแต่กลับจะเพิ่มทุกข์ให้ปรากฏมากขึ้นตอนใกล้ตาย ไม่ว่าใครก็จะรีบร้อนเป็นคนดีกันไปหมดแต่ตอนมีชีวิตมีโอกาสเป็นคนดีอีกนานๆกลับไม่ค่อยมีใครใค้ขวนขวายกันนักเพราะคิดไปเองว่าจะดีหรือเลวก็ต้องตายเหมือนเหมือนกันต่อเมื่อใกล้ตายขึ้นมาจริงๆจึงค่อยรู้สึงอยู่แก่ใจตนว่าจะตายอย่างคนดีรู้สึกอย่างหนึ่งจะตายอย่างคนเลว ก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งสงบหรือฟุ้งซ่านต่างกันราวฟ้ากับเหวไม่ได้มีความเหมือนกันเลยสักนิดเดียววันเกิดเป็นวันที่ทุกคนรู้ว่าคุณมีชีวิตมากี่ปีแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเหลือเวลาอีกกี่ปีที่คุณจะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณแค่รู้ว่า แต่ละวันผ่านไปใจคุณหนักขึ้นหรือเบาลงคนมีสติที่แท้ยิ่งแก่ยิ่งเป็นอิสระโล่งเบาพร้อมลอยขึ้นสูงเหมือนไร้แรงดึงดูดคนขาดสติยิ่งแก่ยิ่งถูกอายุร้อยรัดให้ยึดมั่นถือมั่นจนหนักเหมือนถูกหินทวงหน้าตาภายนอก เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวัยหน้าตาภายในเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกรรมขณะแห่งความใกล้ตายนับสิ่นไม่มีความหมายแสงอาทิตย์ไม่มีความหมายกลองบุญอันสว่างกระจ่างใจเท่านั้นที่มีคุณปัญญาอันเป็นเครื่องทำความเบาสบายเท่านั้นที่มีค่าผลทางในชีวิตมีมากมายหลายมิติ มีทั้งหนทางอันเป็นรูปธรรมมีทั้งหนทางอันเป็นนามธรรมทางมีได้ก็ไปถูกทางได้หรือหลงทางก็ได้ถ้ามาถูกทางข้างในไม่หลงทางข้างนอกวันสุดท้ายคือทางออกจากความทุกข์วาระสุดท้ายคุณคิดอะไรเพิ่มไม่ได้ได้แต่รู้ว่า ทั้งหมดที่เคยคิดนำชีวิตมาถึงไหนถ้ารู้สึกว่าเข้าใจธรรมะแล้วให้ถามตัวเองว่าเข้าใจแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฟุ้ง่านหรือสงบถ้าไม่หายกุกข์้อย่างฟุ้งซ่านก็แปลว่าแค่เข้าใจธรรมะส ต, ติยังไม่เจริญขึ้นถึงธรรมะจริงพอใกล้ตาย มองย้อนหลังกลับไปในชีวิตที่ผ่านมาจะพบว่าการที่คนเราหมัวคิดหมัวพะวงเรื่องอื่นใดนอกตัวบางทีเสียจิตเสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เป็นเวลาไม่รู้กี่สิบปีโดยไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรแย่ลงเพราะก่อนใครเกิดมาหรือหลังใครตายไปโลกก็วนเวียนขึ้นขึ้นลงๆอยู่อย่างที่เป็นมาชั่วนาตาปีเช่นนั้นเอง ผู้มีโอกาสได้เจริญสติเท่านั้นที่พบเฉพาะตนว่ามีเพียงการเจริญสตินี่เองที่ทำให้เวลาในชีวิตไม่สูญเสียไปเปล่าๆสติที่สั่งสมมาในที่สุดจะรวบรวมได้เป็นความพร้อมจะตายดีตมค่าชีวิตโดยแท้ธรรมะยอมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ซึ่งหลายคนคงหายสงสัยเพราะหลังจากประพฤติ ธ, ธรรมแล้วก็เพิ่งเห็นประจักษ์ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆทราบชัดได้จากสามสถานการณ์สถานการณ์ปกติชีวิตก็เป็นปกติสุขดีจริงๆความสว่างแห่งกองบุญอันเกิดจากการประพฤติ ธ, ธรรมไม่เคยทำให้ใครเสียใจในระยะยาว แม้ต้องกล้ามกลืนฝืนคนในช่วงต้นสั้นๆบ้างก็ตามสถานการณ์ผิดปกติแม้ชีวิตเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ถึงขั้นอกไม้ไส้ขมหรือแม้ตกต่ำก็ไม่ดำดิ่งถึงก้นเหวเพราะอย่างน้อยแม้อะไรๆนอกตัวผิดหมดแต่ผู้ประพฤติธรรมก็จะเหลือใจที่ปลูกไว้ดวงหนึ่ง เป็นตัวหาทางนำสถานการณ์ปกติกลับมาจนได้สถานการณ์สุดท้ายเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดก็จะไม่รู้สึกว่าหลงทางเปรียบเหมือนคนออกจากป่าเห็นถนนหนทางราบเรียบและพื้นที่โล่งกว้างอย่างไรก็ต้องเชื่อได้ว่ามาถึงเขตปลอดภัยไร้กังวลแล้ว เสียงอ่านหนังสือใจใหม่จบบริบูรณ์งานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมคนดี